ล่วงเลยไปต่อไปกับปีหน้าอีกจำพรรษาอีกก็ได้พรรษาปีสาสิบออกพรรษาอีกปีพรรษาส8สไล่ไปเรื่อยอันนี้เป็นวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปพวกเราก็ไม่ได้คิด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 ชีวิตของเราก็สั้นเข้าไปเรื่อยๆผลที่สุดก็ถึงจุดจบจุดจบของชีวิตเนี่ยชีวิตของคนเราลักษณะอย่างนั้นแต่พวกเราไม่ได้สำเนียไม่ได้สำนึกไม่ได้คิดอยู่เป็นวันๆอยู่เป็นเดือนๆอยู่เป็นปีผลที่สุดก็ถึงจุดจบครอบรอก ก็ถึงวันอาวาสานก็ตายไปตายไปแล้วไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้หายเงียบไปแต่ละคนปู่ย่าตายายของพวกเราแต่คี่เห็นคนตายเขาตายแล้วก็สะดุง้งเฮือกทีที่หนึง่งพอหายไปแล้วก็ลืมไปพอเห็นคนนั้นเขามาใกล้ก็สะดุง้งมาทีหนึง่งพออยู่ใกล้ตัวจริงๆก็เสีย อ, อกเสียใจร้อ ง, องห่มร้องไห้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 จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทการไม่ประมาทของพวกเรานี่ยทำยังไงถึงจะทำยังไงพวกเราก็จะต้องตายหนีไปไม่พ้นสักคนแม้แต่รายเดียวแต่ว่าก่อนที่จะถึงจุดจบในวันนั้นพวกเราควรจะเตรียมตัวเอาไว้ตามหลักพระธรรมคำสังสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำพร่มสอนเอาไว้ตลอดถึงครูบาอาจารย์ท่านแนะนำกันมาเป็นทอ ด, ทอด ท่านให้พยายามสร้างคุณงามความดีอันนั้นคื อ, คอการเตรียมตัวไม่ประมาทส่วนหนึ่งจากนั้นก็ภาวานาทําจิตทําใจของตนเองระลึกถึงมรณะนุสติไว้อยู่เสมอว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้จะจากหายไม่รู้จะหล่นหายไปวันไหนไม่รู้จะล้มตายวันไหนไม่มีเว ล, เวลาบอกกล่าว ไม่ว่าเดือนนั้นปีนั้นปีนี้พวกเราจริงจ ะ, ะล้มหายตายจากโรคอันนี้ไม่มีใครกาหนดหมายได้เพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านที่ได้ศึกษาธรรมะที่ได้มาปฏิบัติธรรมเมื่อได้ฟังทมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วควรจะนาธรรมที่ได้ยินโอปัญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเอง ตัวของข้าพเจ้าเนี่ไม่รู้จะวันไหนจะต้องผ่านไปเหมือนกับผู้ที่ท่านผ่านไปแล้วความตายนี่เป็นการเสมอภาคกันที่สุดไม่มีใครจะยิ่งหย่อนกว่ากันอันนี้พวกเราให้สำนึกสำเนียกว่าอยู่เสมอในใจของพวกเราอันนี้ท่านพระพุทธเจ้าสมัยจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทระลึกถึงความตายจากนั้นก็ทำคุณงามความดีสิ่งไหนที่พวกเราควรจะทา มีให้ทานรักษาศีลภาวนาและสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นสาระในชีวิตของพวกเราพวกเราควรจะประกอบการสิ่งนั้นไว้ให้มากที่สุดคือไม่ให้เดือดร้อนตนและเดือดร้อนผู้อื่นทำสิ่งที่ดีที่ศีลธรรมแนะนำร่ำสอนที่พวกเราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ จากนั้นก็นำมาประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพวกเราเป็นครวาต์ก็ทานศีลภาวนาแต่สำหรับพระที่บวชในพพุทธศาสนาเป็นแนวหน้าเป็นผู้ตัดขาดออกมาจากทางโลกแล้วก็ต้องศีลเป็นเบื้องต้นสมาธิและก็ปัญญาอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท, ท่าน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 เรื่องบุญกุศลไม่ได้มีทานศีลภาวนาไม่ได้คิดถึงเรื่องบุญกุศลไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีไว้เลยนะเวลาเราใจขาดหรือว่าเราเราตายหรือเวลาเรามรณะภาพในขณะนั้นพอจิตหลุดออกจากร่างเอาเท่านั้นแหละยานพาหนะที่จะมารับเรา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 พวกเราพาไปเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ที่มีร่างกายปกติจากนั้นก็ไปสู่ภพภูมิสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งลุคเทวดาภูมิเทวดาตลอดถึงอากาศาธาตุเทวดาเทวดาชั้นต่า ง, างๆจะหลอดถึงพรมโลกแต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราชำละหมดกิเลสระดับหนึ่ง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 แต่เมื่อเราล่วงลับดับขันไปแล้วพวกเราก็จะต้องไปสู่พบภูมิของพระโสดาพระโสดาเนี่ยก็จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกพระโสดาบันมีสามระดับเอกชีชีเกิดชาติเดียวโกลังโกระเกิดสามชาติสัตตุคตพระมะเกิดเจ็ดชาติพระวถึงอย่างมากพระโสดาบัน แปลว่าถึงบันไดขั้นต้นแล้วจะต้องก้าวขึ้นไปจากนั้นเขาเข้าสู่นิพพานแต่ถ้าหากว่าพระสักคาคามีเป็นผู้ชำระจิตใจเบาบางที่เหนือกว่าพระโสดาบันก็ชำระใจของท่านพอตายไปท่านก็กลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นท่านก็บาเพ็ญจิตใจก็หลุดพ้นก็เป็นพระอระหันต์เกิดชาติเดียวพระสักาคา ส่วนพระนาคาเ อ, อเมื่อยังมีชีวิตอยู่โดยมากท่านจะเป็นผู้มีศิลอุโบโโสถคือศินแปดเป็นอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้จําเป็นจะต้องรักษาเป็นสินอัตโนมัติสําหรับสินพระนาคามีในเมื่อท่านล่วงรับดับขันไปพระนาคาเมนี่ไม่ลงมาเหยียบโลกนี้อีกพอท่านมรณาภาพปุ๊บ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 มีแต่ท่านจะผันขึ้นไปเรื่อยๆคือเข้าสู่นิพพานเข้าสู่นิพพานไปเลยท่านจะไม่ลงมาเหยียบโลกนี้อีกไม่ลงมาเกิดอีกว่างั้นเถอะอันนี้คื อ, พ ร, อาคาพระอนาคาพระอนาคานี่ท่านได้สาเร็จราคะการมราคะนี่เด็ดขาดโทสะอารมณ์ทางใจของท่านเด็ดขาดจะไม่มีอารมณ์โทสะยังเหลือแต่โมหะคือความหลง ติดในใจของพระอนาคามีอยู่เพราะนั้นท่านจึงขึ้นไปชำระในพรมของท่านห้าชั้นนั่นต้องใช้เวลานานนจากนั้นท่านก็นเข้าสู่นิพพานาไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนี่อีกอันนี้คือพระอริยะมีอยู่สี่ขั้นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคามพระอรหันต์อันนี้คือ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 กรรมเก่าที่เราทําไว้ในอดีตในชาติหนนหลังที่ผ่านมากรรมเก่ า, กานะอาจจะพาไปพวกเราไปเกิดเป็นสัตว์เลร้จงฉันไปตกนรกหมกไหมไปอีกแล้วก็บําเพ็ญถูกช่องถูกทางอีกไปเกิดฉวนชั้นพรมอีกเนี่ยมันหมกวนเวียนอยู่นี่แหละวัฏสงสารการหมุนเวียนไม่มีที่สิ้นสุดผู้แน่นอนจริงๆขึ้นนี่แหละคือพระโสดาบันนี่แหละพระโสดาบันเป็นผู้แน่นอนไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกแค่ หันหน้าระดับเกาะขึ้นคือว่าขึ้นไปเกาะบันไดขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่พร้อมที่จะก้าวขึ้นไปไม่มีถอยหลังบางั้นแต่ถ้านอกจากนั้นลงมาแล้วไม่แน่นอนเป็นคติที่ไม่แน่นอนสูงสูงต่าต่าลุ่มลุ่มอนรอนเดี๋ยวก็สูงเดี๋ยวก็ต่ำบอกขึ้นสูงขึ้นมาบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่างพวกเราเนี่ยอ้าวข้าไปเจ้าเกิดมาพบนี้ชาตินี้ลาบากเหลือเกิน ทำไร่ทำนาทำมาค้าขายอกว่าจะได้เงินได้ทำทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงชีพทุกเลือเกินพวกเรากตั้งอกตั้งใจมีอะไรก็เสียสละทําบุญทําทานตามอัตภาพจากนั้นก็รักษาศีลจากนั้นก็ไหว้พระสวดมนต์มีความมุ่งมั่นวะ่ะขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอกว่าที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้เท่าที่บุญกุศลของข้าพเจ้าได้กระทําอันนี้คือความมุ่งมั่นของพวกเรา จากนั้นพอเมื่อเราล้มหายตายจากจากภพนี้ชาตินี้พวกเราก็จะต้องไปเกิดที่ดีขึ้นเพราะว่าบุญกุศลพวกเราได้เตรียมได้ทำไว้แล้วก็ส่งขึ้นไปพอไปเกิด เ, เป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้มีอันจะกินในตระกูล เ, เกิดมาพวกเราก็ไม่ได้ใช้สติใช้ปัญญาไม่ได้รับการศึกษาที่ดีนะบางชาตินะแต่ถ้าได้รับการศึกษาที่ดีก็มี ก็ส่งต่อขึ้นไปเรื่อยๆอยู่นานหลายภพหลายชาติบางนั่นแต่แต่ถ้าหากว่าไม่ได้รับการศึกษาที่ดีพอเกิดขึ้นมาเกิดชาติหน้าพลํมรวยขึ้นมาก็หลงในตัวเองเอ ง, เองบานี่อพอหลงเข้ามาก็ทำความชั่วในขณะยังมีชีวิตอยู่มีแต่เอาเงินคําทรัพสมบัติที่ได้สอแสวงหามาที่เราได้มาด้วยตระกูลของเราเอามาใช้สมทะเลเทเมาทั้งสุรานารีอะไรก่อ เอามาใช้ถลุงบำรุงบำเลอตนทําไปในทางที่ชั่วตกล้องเอกมาเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เอจากนั้นก็มาทุกพยายามไยขึ้นมาอีกข้าพเจ้าทุกเลยเกินออยากจะเกิดมาพบนาจารณาขอให้ข้าพเจ้าดีกว่านี้ในใจทองสัตว์ทั้งหลายเขาใ่ความสุขด้วยการทุกคนทุกวิญญาณอยากจะไต่เต้าขึ้นไปให้สูงให้มีความสุขที่สุด อย่างพวกเราต้องการความสุขในขณะนี้นะจากนั้นกับวิญญาณก็ไต่เต้าขึ้นมาอกีกสูงขึ้นชุ้งขึ้นพอสูงขึ้นชุ้งขึ้นลืมตัวโดยกิเลสราคะโทสะโมหะหมุนกลับลงไปอกีกอันนี้แหละท่านว่าวัดตะวนมันน่าเบื่อหน้าเบื่อจริงๆนะเพราะพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วการเป็นอยู่การเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ท้งหลายอย่างพวกเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน พบนี้ชาตินี้ที่พวกเราเห็นนั่อน่ะพวกเราเห็นตัวเองด้วยเห็นคนอื่นด้วยเห็นคนหลายๆคนด้วยหูนวกตาบอดขาวิบปริดที่พวกเราเห็นเห็นนั่นดูดูแล้วมันต่างคนต่างเวียนว่ายตายเกิดพวกผู้ได้เจ้ามองดูแล้วไม่มีที่สิ้นสุดท่านจึงมีวิธีการที่จะทํำยังไงจึงจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้อีกต่อไป เพราะนั้นพระองค์จึงส ะ, สะแสวงหาโมกขธรรมหรือ ส, ะสะแสวงหาทางพ้นทุกข์ของพระองค์ไม่มีทางอื่นนอกจากมรรคแปดศีล ส, สมาธิปัญญานี่แหละเป็นหนทางที่จะตัดภพตัดชาติไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้อีกพระองค์จึงออกไปบวชบำเพ็ญที่ต้องหกปีนะเพราะท่านเป็นศาสดาท่านเอาอยัางจริงจัง จากนั้นท่านก็บำเพ็ญจนได้ตัจรู้ธรรมจากนั้นท่านจึงนำพระธรรมคำสั่งสอนมาสั่งสอนภาสาวอกมีอัญญาโกนธัญญาปัญจวคีทั้งห้าโกนธัญญาวปะพัทธิยมหานามาจัยชีจากนั้นได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลจากนั้นเขามาสอนพวกพระอะไรที่หนีไปบวช นีไปป่าชาติกางคืนนั่นแหละจากนั้นก็มาสอนพวกฉดินสามพี่น้องอีกจนได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลมาเป็นมากมากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ท่านก็แนะนำสั่งสอนในยุคนั้นสมัยนั้นผู้ใ ด, ดสำเร็จมรรคผลมากต่อมากจนนับคาณาหาประมาณไม่ได้ ออันนี้ก็คือพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนํามาแต่มาถึงพวกเราเดี๋ยวนี้เอพระธรรมคําสั่งสอนก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าศรัทธาอของพวกเราปัญญาของพวกเราอสติของพวกเราสมาธิของพวกเราเอที่อยู่เนี่ยมันยังไม่พร้อม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 ใส่ในใจของพวกเรามีทานมีศีลมีภาวนามีขันติมีสัจจะมีอธิษฐาน ม, มีเมตตาสรุปแล้วก็คือบารมีส0มสิบทัศน์น่ะสั่งสมบารมีสามสิบทัศน์เข้ามาสู่จิตใจของพวกเราเพื่อจะให้มันเต็มตื่นขึ้นมาถ้าหาพวกเราไม่พ้นทุกข์ในภพนี้ชาตินี้ก็ชาติต่อไป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 ในเงินทรัพสมบัติในการเป็นอยู่ก็มีสิ่งที่มาทุกข์เข้ามาสู่จิตใจอีกอไม่รู้เรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรเดียวว่าโลกอันนี้เต็มไปด้วยกองทุกอาหาความสุขไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านมองดูหมดแล้วถึงเกิดอยู่ในระดับพบไหนภูมิไหนสูงต่าขนาดไหนก็ตามแต่ก็มีความทุกข์ไม่เว้นแต่ละคนสรุปแล้วก็คื อ, อมรณะความตายนั่นเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ถึงคราวนั้นมนุษย์ไม่อยากจะตายแต่กับหลีดลี้หนีไม่พน้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะบาเพ็ญทานศีลภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ภาวนานะี่แหละเป็นหลักทานศีลเราก็ทามาก็ไม่ประมาททามาแล้วแต่เรื่องภาวนาเนะี่ยเป็นจุดที่สำคัญอย่างมากที่จะฝ่าฟันอุปสรรคนานักปการ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 เราภาวนาอ่าสินธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พวกเราศึกษาปฏิบัติมีทานมีสินมีภาวนาอ่มักแปดสินสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นแพแต่พอไปถึงฝั่งแล้วเราไม่ถือไปด้วยนะเราไม่ได้แบกขึ้นอเราทิ้งไว้ไม่ต้องพูดถึงอาธรรมเหมือนแต่ธรรมะที่ของถูกทางแท้ๆถูกต้องแท้ๆยังไม่เอาขึ้นไป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 เรื่องทานพวกเราก็พอจะรู้การใสบาทการเสียสละตลอดถึงการดูแลบิดามารดาของเราล้วนแล้วจะเป็นการเสียสละเป็นการทาทานการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่อันนี้ก็คือเป็นการสร้างคุณงามความดีจากนั้นก็ศีลกรักษากายวาจาอย่างเป็นญาติโจมศีลห้าที่เคยอธิบายให้ฟังศีลอุโบสถ รักษากายวาจาให้เรียบร้อยส่วนสมณเณรก็คือศิลสิบส่วนพระก็คือศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดอันนี้ว่าทานศินและภาวนาเนี่ยภาวนาเนี่ยเป็นจุดที่จําเป็นเป็นจุดที่สําคัญอย่างยิ่งแต่พวกเราไม่ค่อยสนใจกันนะแต่มีทานมีศินแล้วก็เออพอทําได้แต่พอถึงภาวนาเนี่ถอยหลังกูดอะไรแบบนั้น อไม่สู่งงั้นเถอะเก็ไม่รู้จักวิธีด้วยแล้วก็ไม่อยากจะศึกษาด้วยเอถ้าว่าไม่เข้าใจแตตั้งใจศึกษามันก็ยังพอมีหนทางนะอันนี้พ่อว่าพูดถึงสมาธิโอ้อยากๆๆๆถอยเลยงั้นเถอะแต่ตามไม่จริงไม่ใช่ของอยากพรอะอยู่กับตัวของเราทั้งหมดอที่จะต้องประพฤติปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่ใดอยู่กับสติอยู่กับปัญญาอยู่กับ การกระทำของพวกเราทุกๆท่านวิธีการปฏิบัติง่ายไม่ได้เสียอะไรทั้งหมดอีกต่างหากเพียงแต่ทำใจสู้กับใจสู้กับกิเลสภายในใจของตนเองเท่านั้นนะแต่ต้องหนักท่านีงานภายนอกเนี่ยว่านักหนักนะสู้กับกิเลสภายในใจตัวเองไม่ไดนะ้จะเอาธรรมะสู้กับใจของตัวเองนะไม่ใช่ธรรมดาใจของเราเนี่ยกิเลสขึ้นมา นั่งบัญชาการอยู่ไป่รู้กี่พกี่ชาติกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านชาติเต็มไปด้วยราคะโทสะโมหะนั่งเป็นกองบัญชาการอยู่นั่นแต่ที่นี้เราพยายามเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเน่ยขึ้นไปนั่งเนี่ยขึ้นไปนั่งเก้าอี้ตัวนั้นนะ่ะนั่งหัวใจพิจารณาดูให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นเป็นอสุภะปฏิกูล ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงไม่มั่นไม่คงให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตเนี่ยเอาธรรมะเข้าไปนั่งบนหัวใจของเรานั่นแหะแต่ไม่ใช่ของง่ายตุดเนี่ยก่อนที่จะไปสู้กันได้นะเพราะฉะนั้นท่านจึงมีกรรมวิธีหลายๆอย่างเนีย่ยว่ากรรมฐานสี่สิบของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้อันใดอันหนึ่งไม่ใช่ว่าจะเอามาทั้งสี่สิบแขนงสี่สิบแนงไม่ใช่ เอาเราหยิบมาคะแนงใดแขแนขแนหนึ่งเอมากินมาใช้พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจารานุสติอนุสติอันใดอันหนึ่งมาบริกรรมนะเวลานั่งสมาธิจากนั้นกน็เวลานั่งสมาธิเนะี่ยหาที่สงบเด้เห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยอถ้ามีเสียงออกมาข้างนอกเสียงมาจากหมู่บ้านพอมีเสียงเข้ามาได้ใจของเรามันกั ไม่เป็นสมาธิแล้วเขวงขวางเขวงขวางเหล่างั้นอแต่มันเป็นเสียงสัตว์ ก, ก, ก, ก็ไม่เป็นไรเสียงนกเสียงกาเสียงมลลงแมลงอย่างนี้จ๊อกจ๊อแจ๊กแจอย่างนี้ยไม่เป็นไรเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ความหมายของมันว่ามันพูดเรื่องอะไรมันทําอะไรทําไมมันเป็นเสียงธรรมดาอันนี้ไม่เป็นพิษเป็นภยัยต่อสมาธิเพราะฉนั้นเวลานั่งสมาธิท่านจึงในหาสถานที่สง บ, อ ย, งสงบอย่างที่วัดของพวกเราอย่างนี้แนหะหรือวัดที่ไหนก็ได้หรือว่า ที่ไหนก็ได้รีสอร์ทที่ไหนก็ได้แต่เป็นที่สงบสงัดเป็นที่หลีกเล้นนะนะ เ, เป็นที่เหมาะแก่การภาวนาว่าเสนาชนะสัปปายะเนีเซนาชนะที่อยู่อาศัยที่พักผ่อนในขณะนั้นช่วงนั้นเวลานั้นเป็นที่สงบสงัดาจากนั้นเราก็หาที่สงบสงัดแยงกนันนั่งสมาธิได้ถึงเออหรือเราอยู่ในบ้านเออมุดในบ้านแล้วก็บอกให้ลูกเต่าล้านเลนใครก็ตามงด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 เดี๋ยวนะันมีเรื่องคิดนะเดี๋ยวมีเรื่องทำนะเดี๋ยวนะี๋ยมันมีเดี่ยวหลายนคนคนนี้ถูกกระล่มเหลวไปอนั่งบลองก้องแกงทั้งคิีน่าจะได้ยี่สบามสิบนาทีได้ชั่วโมงนะที่ตั้งใจเอาไว้แต่ทีแรกพอเข้าจริงๆได้ห้าหกเจ็ดนาทีถึงหงายพลอยละแต่นั่งดูโทรทัศน์วิดีโออะไรนั่งคุยอะไร เ, เท่าไหรก็ไม่ว่ากันไม่เสียเวลาเพรา ง, งั้นแต่แต่ประกอบคุณงามความดีเนี่ยเสียเวลาอ่า ดังนั้นแปลว่ากิเลสนั่นว่ากิเลสในกิเลสภายในใจของเราเนี่ยมันรองอยู่ในสันดานของพวกเราเนี่ยมันชักนําไปในสิ่งที่มันชอบสิ่งที่มันชั่วไหลลงทางต่ําเนี่ยมันง่ายเน่ยที่จะพักดันขึ้นไปทางสูงเนี่ไม่ให้มันคิดให้มันสงบให้มันนิ่งเออต้องสู้กับมันอย่างขนานหนักเลยท่านอาจเปนวัดสู้กับกิเลสแต่ไม่ใช่สู้อย่างง่ายๆนะแต่สู้อย่างหนัก หนักมากเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ของธรรมดานะต้องสู้กับกิเลสภายในใจของเราเพียงแต่พื้นฐานสมาธิเพียงเท่านี้กเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงนั่งอยู่ในห้องแอร์ก็ไม่สู้เหมือนกันถ้าเราไม่จิตใจไม่มุ่งมั่นจริงๆเพราะนั้นบางท่านท่านจึงได้รับสติรับปัญญารารับความสงบในขณะที่มีทุกข์ในใจ บางทีเราอาจจะเก็บไข้ได้ป่วยอบางพระหรันบางองค์พระหันบางท่านที่ท่านได้สําเร็จมรรคผลผนิพพานท่านเก็บไข้ได้ป่วยโอ้ข้าตายแน่ๆ แ, แลว้วข้าจิตใจมันหมุนเตี้ยวพมหาตัวเองเน๊อไม่ให้ส่งไปทางนอกเด้หมุนเตี้ยวพมหาตัวเองกําหนดพิจารนณานร่างกายสังขารผลสุดปล่อยวางได้สําเร็จเป็นพระหรหันในขณะที่มีทุกข์เหมือนกันเถอะบางคนก็ยังว่า พอมีทุกข์เข้ามาแล้วจะนี่คิดถึงลูกถึงหลานถึงพี่ถึงน้องถึงหมูถึงเพื่อนทําไมไม่มาช่วยข่าบางข่าช่วยคนอื่นไปต่างเยอะแยะอทําไมถึงข่าวของข่าไม่มีใครมาดูมาแลจะเลยเอมีแต่เพ้อฝันออกไปข้างนอกอนาคตไม่ได้เสียหลักอถ้าลักษณะนั้นั่นเสียหลักถ้ากว่าอถึงข่าวจนเจมาถึงข่าวเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงข่าวทุกข์มาจะติดปัญญาวิ่งเข้ามาหาตัวเองป๊อ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 ในความคิดต่างๆความรู้ต่างๆความเห็นต่างๆมีแต่หมุนเตี้ยวหาธรรมะอะไรบางเนี่ยอา้าเอาธรรมะเข้ามาประพฤติปฏิบัติจะพิจรณาอะไรก็เห็นแจ้งชัดจริงในกายในใจของพวกเราเห็นร่างกายของเราเออร่างกายอ น, นีรตั้งแต่เกษาโลมานขะาทันตาตาโจหนังเงื่ อ, อนกระดูกเนี่ย เ, เราจะพิจรณาเป็นเอาพิจารณาเนื้ออย่างเดียวทดลองเลยเจ๊ เนื้อขาไปไงเนื้อแขนไปไงเนื้ออทุกสันหลังไปไงเอาเอาเนื้อออกมากองกองมีแต่เนื้อเนี่ยเหมือนกับเนื้อหมูเนี่ยเป็นยังไงเนี่ร่างกายของเรามันเป็นเนื้ออย่างนั้นจริงไหมเอี่ยจริงอมันมีเอ็นมีกระดูกใชจไหมจริงมีตับไตไส้พุงมีกระเพากระเพาะอาหารมีลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยจริงไหมจริงเนีเราเห็นตามความเป็นจริงแล้ว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 จิตใจคนหลุดพ้นจากกิเลส ธ, ธนาบาทเลยกิเลสอยู่ในใจของเราปล่อยวางหมดเป็นพระรหันโดยที่ไม่ต้องตั้งใจแลว้วงั้นเถอะเมื่อเพียรนารู้แจ้งเห็นจริงแล้วน่นะมันปล่อยวางหมดแล้วเนี่ยหมดไม่มีอะไรยึดมัน่นถือมั่นเห็นด้วยปัญญาจริงจริงว่างั้นเถอะเ อ, อเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยมรรค้วยผลจริงๆเนี่ยมันเห็นจริงๆริงนะแต่ตามไม่จริงเมื่อเราคิดธรรมดาเนี่ย เราเห็นธรรมดาด้วยสัญญามันไม่ซึ้งเน๊ะเห็นความตายกับพีรณาถึงความตายเห็นโยกความตายคนอื่นตายก็เห็นสัตว์ตายก็เห็นแต่มันไม่ซึ้งเน๊ะอันนั้นไปว่าเห็นด้วยสัญญาเห็นด้วยสังขารคือความปรุงแต่งแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาคือความเห็นตัวแจ้งเห็นจริงเห็นด้วยปัญญานี่มันจะซึ้งมากมันซึ้งเข้าไปสู่ขั้วของหัวใจคนเน๊ะพอถึงซึ้งเราก็ปล่อยวางได้เลยโอ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 น, นะความชั่วทั้งหลายก็จะมาหลุก ม, มาตุ้มพวกเราพาไปสู่ทุกขติคือความทุกข์เนี่ยถึงข่าวนั้นแล้วไม่มีใครช่วยใครนะอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรศิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากเราจะพึ่งเราเท่านั้นนะ่ะในถึงจุดนั้นพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายญาติมิสหายเพื่อนรักขนาดไหนก็เถอะ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 เรามาเกิดเรามีอะไรมาด้วยแบมือมาไม่ใช่ละผ้าก็ไม่ติดมาสักชิ้นเดียวเวลาเราตายไปแล้วก็เอาเงินใส่ในปากอเอาเงินใส่ในที่ไหนก็ทิ้งไว้หมดไม่เอาไปกระดูกตัวเองเออกไปด้วยไม่ได่อนอกจากปิญญาไปยังไงมายังไงกับไปอย่างนั้นเพราะนั้นเราจะไปหลงโลกหลงทางจนมากเกินไปต้องรู้จักปล่อยรู้จักวางนะ รู้จักปล่อยรู้จักวางทางด้านจิตใจบ้างอย่าเป็กลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปนขอให้พวกเราทุกๆท่านสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใส่ใจเอาไว้เป็นผู้ไม่ประมาทอีกสักวันหนึ่งจะถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ถึงแดนแห่งความกเกษมไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารนี้อีกต่อไปการพวดก็เห็นว่าสงควรต่อไปก็ฟังธรรมเทศนาของ องหลวงตา